บทที่3สถานที่พักฟื้นของวิญญาณเมื่อออกมาจากโบสถ์เราเดินมาด้วยกันสักครู่หนึ่งรูธซึ่งเป็นชื่อของสุภาพสตรีผู้นี้ก็เหลือไปเห็นตึกใหญ่ระโหฐานหลังหนึ่งตั้งตรงงานอยู่ภายในบริเวณซึ่งมีพุ่มไม้ขึ้นเรียงรายอยู่โดยรอบเอ็ดวินได้กล่าวว่าสถานที่นี้คือที่พักผ่อน หรือพักปื้นสำหรับดวงวิญญาณของผู้ที่มาสู่โลกทิพนี้โดยประสบมรณกรรมอันรุนแรงหรือโดยจรับการป่วยไข้มาเป็นเวลานานซึ่งเป็นผลทำให้จิตใจได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักข้าพเจ้ากับรู้จึงถามว่าเราจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปดูภายในได้บ้างหรือไม่ก็ได้รับคำตอบจากเอ็ดวินว่า เนื่องจากเขาเป็นผู้ที่ได้ทำงานเกี่ยวข้องอยู่กับกิจการนแผนกนี้ด้วยผู้หนึ่งเหมือนกันดังนั้นจึงรับรองได้ว่าจะไม่มีผู้ใดรังเกียจในการที่เราจะเข้าไปดูข้างในเลยเมื่อเราเข้าไปใกล้ก็เห็นว่าตึกหลังนี้มีสามชั้นและเปิดโถงออกทุกด้านกล่าวคือไม่มีหน้าต่างดังเช่นตึกทั้งหลายในโลกมนุษย์เลยรูปดงลักษณะาภายนอกของตึกดูปรากฏเป็นสีขาวสะอาด แต่เบื้องบนของตึกนี้เราได้เห็นลำแสงสีน้ําเงินพวยพุ่งลงมาจากเบื้องบนและโอบล้อมตึกนี้ไว้โดยรอบซึ่งทําให้เกิดการกลมกลืนระหว่างสีทั้งสองเป็นสีที่เย็นตาหน้าดูอย่างยิ่งลำแสงที่กล่าวนี้เป็นลำแสงที่ชุบชีวิตและบรรเทาความทุกข์ทรมานของดวงวิ ญ, ญญาณทั้งหลายในตึกนี้ซึ่งยังไม่ตื่นจากผวังเมื่อวิ ญ, ญญาณทั้งหลายเหล่านี้ ได้รับการรักษาและชุบชีวิตจนเพียงพอเกี่ความต้องการแล้วก็จะเต่นขึ้นและได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสภาพของโลกใหม่อย่างน่าตื่นใจก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวตึกข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นบุคคลกลุ่มหนึ่งนั่งบ้างยืนบ้างและเดินไปมาบ้างอยู่ที่สนามหญ้าโดยรอบตึกนี้บุคคลเหล่านี้ก็คือเพื่อนหรือญาติของวิญญาณ ซึ่งผ่านเข้ามาสู่โลกนี้และกำลังได้รับการรักษาอยู่ในเติกนี้นั่นเองอันที่จริงบุคคลเหล่านี้สามารถจะมาสู่ที่นี้ได้ในทันทีที่ในแพทย์หรือผู้พยาบาลต้องการจะแจ้งให้ทราบว่าเพื่อนหรือญาติของคนคนนั้นได้ตื่นแล้วและกำลังร อ, อคอยใกล้จะพบอยู่ทั้งนี้ด้วยเหตุดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วคือณที่นี้ เราสามารถส่งกระแสจิตไปเรียกกันได้ถึงตัวทันทีและผู้ถูกเรียกก็สามารถจะมาได้ในทันทีเหมือนกันแต่เนื่องจากความเคยชินในโลกมนุษย์นั่นเองบุคคลเหล่านี้จึงยินดีมารอคอยอยู่ใกล้ๆด้วยความเป็นห่วงกระหายที่จะได้พบหน้าผู้ที่จากกันมาทุกๆคนมีสีหน้าผ่องใสโดยที่รู้ว่าจะได้พบผู้ที่ตนรักและคุ้นเคยในเวลาไม่ช้า เราได้รับการยิ้มต้อนรับและทักทายปราศัยเป็นอันดีและเมื่อเอ็ดวินได้แจ้งความประสงค์ของเราให้ฟังต่างก็พากันยินดีด้วยข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าบุคคลเหล่านี้ส่วนมากมิได้สวมเสื้อผ้าชนิดที่เรานุ่งห่มกันอยู่ในโลกมนุษย์ซึ่งข้าพเจ้าก็เลยสันนิษฐานเอาเองว่าคนจะได้มาอยู่ในโลกนี้เป็นเวลานา น, านแล้วทั้งสิน้น ในเรื่องนี้เอ็ดวินได้บอกแก่ข้าพเจ้าว่าไม่เป็นความจริงเช่นนั้นเสมอไปทุกทกคนมีสิทธิ์ที่จะสวมเสื้อผ้าชุดที่เป็นทิพย์ได้ด้วยกันทั้งสิน้นในเมื่อได้ละโลกมนุษย์เข้ามาสู่โลกนี้แล้วแม้เราเองก็เช่นเดียวกันลนักษณะของเสื้อผ้าของชาวโลกทิพย์นี้เป็นอย่างไรข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นการลำบากอย่างยิ่งที่จะอธิบายให้ท่านเห็นภาพได้ให้ใกล้เคียงกับความจริง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 เอ็ดวินจึงออกความเห็นว่าเราควรจะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าของเราให้สมกับกาละเทซะเซธีเราทั้งสองคนคือข้าพเจ้ากับรูธก็เห็นด้วยในข้อนี้ทั้งๆที่ยังรู้สึกมวยงงอยู่ว่าเราจะหาเสื้อผ้าชุดใหม่มาเปลี่ยนได้จากที่ไหนในตอนนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าคงจะมีท่านผู้อ่านเป็นอันมากที่คิดว่าการเปลี่ยนเสื้อผ้าของพวกเรานี้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 รูธก็มีความตื่นเต้นประคนกับความยินดีไม่น้อยไปก่าข้าพเจ้าส่วนเอ็ดวินก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าของเขาแล้วเช่นเดียวกันแต่ข้าพเจ้าสังเกตว่าชุดของเขาดูเหมือนจะสงแสงเป็นประกายแวววาวงามกว่าของข้าพเจ้าเอ็ดวินคงจะเคยกับปรากฏการเช่นนี้มาก่อนแล้วจึงไม่ปรากฏว่าเขาได้แสดงอาการกิริยาผิดปกติอย่างใด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 ในสภาพที่หลับสนิทในบางรายเมื่อกายเนื้อแตกทำลายแล้วกายทิพย์ก็จะยังลงสู่ความหลับทันทีโดยไม่มีขาดตอนตามปกติการป่วยไข้เป็นเวลานานๆมักจะมีผลทำให้จิตใจอ่อนลงซึ่งจะทำให้ทิพยกพยากายอ่อนกำลังลงด้วยเหมือนกันจริงอยู่การอ่อนกำลังของทิพยกพยากายนี้ไม่มีผลร้ายแรง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 อย่างฝังจิตฝังใจแต่สภาพความเป็นไปของสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อนหน้าเราในาบานัดนี้ได้แสดงว่าความเชื่อถือเหล่านั้นเป็นเรื่องเหลวไหลหาความจริงไม่ได้เลยข้าพเจ้าได้รับคำบอกเล่าว่าพวกเราทั้งสามคนไม่มีใครถูกนำมายัางสถานที่พักฟื้นแห่งนี้หรือแห่งไหนเลย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 มักไม่ใกลยอมเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆการอธิบายให้ทราบจึงต้องค่อยทำค่อยไปอย่างสุภาพและมีเหตุผลโดยปกติผู้ตายเหล่านี้เงื่อฟื้นขึ้นมาก็ยังจำได้ว่าตนได้รับความเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมานมาแล้วอย่างในสมัยเมื่อ ย, ยังรองกายเนื้ออยู่แต่พอได้อธิบายใหเห็นจริงก็เกิดความตื่นเต้น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 ตื่นเต้นหรือความผิดหวังอย่างมากมายดังเช่นในปัจจุบันนี้เลยชาวโลกมนุษย์คิดว่าตนเองเป็นผู้ที่เจริญก้าวหน้าเป็นผู้ที่มีอารยธรรมอันสูงซึ่งเป็นเรื่องหลงผิดที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะชาวโลกมนุษย์พากันถือว่าโลกมนุษย์เท่านั้นมีความเป็นอยู่อย่างเป็นแกนสารแท้จริงและมีความสำคัญเหนือโลกอื่นใด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 ทัศนะของชาวโลกมนุษย์เช่นนี้ทำความลําบากให้แก่ชาวโลกทิพเป็นอย่างยิ่งสภาพที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้าขณะ น, นี้เป็นประจักษ์ยพยานได้เป็นอย่างดีเพราะผู้ตายนับจานวนหลายพันซึ่งถูกส่งมารับการพักฟื้อนอยู่ณที่นี้ล้วนเป็นผู้ที่โง่เขลาต่อความจริงเกี่ยวกับความตายทั้งสิน้นกว่าผู้พยาบาล จะอธิบายชี้แจงเหตุผลให้เห็นจริงได้ก็เป็นงานหนักมิใช่น้อยนี่ยหละคือผลของการที่ชาวโลกมนุษย์คิดว่าเป็นผู้วิเศษเป็นผู้มีความเป็นอยู่อันแท้จริงในโลกของตนยิ่งกว่าในโลกอื่นใดๆทั้งสิน้นผู้ประสบมรณะกรรม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 เป็นภาระหนักแก่ผู้พยาบาลยิ่งเสียกว่าในห้องที่แล้วมามรณกรรมอันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในเวลากระทันหันทำให้จิตใจเกิดความสับสนและยุ่งเหยิงที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงให้มีสติสัมปชัญญะได้ดังเช่นเดิมทั้งนี้เพราะความเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจมิได้คอยเป็นคอยไปเหมือนอย่างนิรายที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังอยู่เป็นเวลานาน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 บุคคลเหล่านี้เมื่อฟื้นขึ้นมาและได้รับคำชี้แจงจนเห็นจริงแล้วก็มาจะเกิดความเดือดร้อนในความหลงงมงายของตนเองและของชาวโลกมนุษย์โดยทั่วๆไปเป็นอย่างยิ่งเอ็ดวินจึงเอ่ยขึ้นว่าเราได้ดูความเป็นไปของสถานที่นี้มานานพอสมควรแล้วจึงควรจะกลับเสด็จีรูดกับข้าพเจ้าเองก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันทั้งนี้เพราะเราทั้งสองอยังเป็นผู้ที่มาสู่โลกนี้ไม่นาน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 ผู้หนึ่งผู้ใดที่ปรารถนาจะรับประทานผลไมน้นี้ก็ยอมจะทําได้โดยไม่มีผู้ใดห่วงห้ามในขณะที่ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเอ็ดวินอาจจะได้ใช้เวลาอันมีค่าของเขามาอยู่กับเรานา น, านเกินสมควรแล้วก็เป็นได้ซึ่งทำให้เรารู้สึกเกรงใจเขาเป็นอย่างยิ่งแต่เอ็ดวินได้บอกว่าการที่เขามาอยู่กับเราและคอยให้คําแนะนําต่างๆเกี่ยวเรานี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานของเขาเหมือนกันทั้งนี้เพราะงานของเขาก็คือการขอให้คำแนะนำสั่งสอนแก่ผู้ที่เพิ่งมาถึงในโลกนี้จนกว่าจะเกิดความคุ้นเคยในสภาวะที่แวดล้อมและคุ้มครองตอนเองได้ในขณะที่เราทั้งสามเดินไปด้วยกันก็ได้เริ่มสนทนาถึงทัศนาของชาวโลกมนุษย์ที่มีอยู่ต่อพวกเราในแง่ต่างๆกัน รูตเป็นผู้เอ่ยขึ้นก่อนถึงเรื่องปีกนกซึ่งชาวโลกมนุษย์มักจะกากเก์ถือเป็นหลักว่าพวกชาวโลกทิพทั้งหลายจะต้องมีปีกเหมือนนกเสมอไม่เช่นนั้นก็ไม่สมกับความเป็นชาวโลกทิพหรือเป็นเทวดาบัดนี้เมื่อเราได้ประสบภาวะความเป็นจริงที่อยู่เบื้องหน้าก็ทําให้เรารู้สึกว่าสมมุติว่าเราจะต้องมีปีกเช่นนั้นจริงการเดินทางไปไหนมาไหนคงจะดูรุ่มรามพิลึก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 เชื่อว่าหลายท่านต้องสงสัยและไม่อยากคิดว่าจะเป็นจริงต้องย้ําเสมอว่านี่คือเรื่องของภพที่ยังมีความหยาบมีสภาวะใกล้เคียงกับมนุษย์ผู้ที่จะไปพักปื้นเหล่านี้เป็นเฉพาะผู้ที่มีบุญพอจะอยู่ในสวรรค์เท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนตายแล้วต้องมาพักฟื้นที่นี่ทั้งหมดคําอธิบายในหนังสือชุดเดียวกันในภาคที่สี่ท่านเปรียบการพักปื้นของวิญญาณคล้ายกับการนอนหลับในคันของทารก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนมีชีวิตใหม่ซึ่งบางคนอาจใช้เวลาแค่แว บ, บเดียวแตกตามไปตามสภาพจิตของแต่ละคนคำว่าแพทย์และพยาบาลคือผู้มีความรู้เกี่ยวกับการเยียวยากายทิพย์ซึ่งควรเรียกว่าเป็นผู้เยียวยาทางจิตเป็นหลักมากกว่านะครับการที่กายทิพย์พวกนี้มีความอ่อนเพลียหรือป่วยได้เพื่อมองหเห็นภาพก็ขอให้เปรียบชีวิตในโลกทิพย์ในแต่ละชั้น คลายคลื่นวิทยุที่ต่างความถีกันแต่และความถีก็มีการสั่นสะเทือนที่คงที่ของแต่ละช่วงคลื่นความเจ็บป่วยก็คล้ายกับการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติไม่เป็นจังหวะที่ควรจะเป็นนั่นเองสำหรับเรื่องความหลับสนิทของวิญญาณในสถานพักฟื้นขอให้เข้าใจนะครับว่าวิญญาณก็มีการหลับและมีการฝันได้เช่นกันแต่เกิดขึ้นได้กับบางคนบางภพภูมิเท่านั้น ชีวิตหลังความตายของคนส่วนมากแทบไม่ต่างจากโลกมนุษย์เพราะความที่จิตยังหยาบยังเต็มไปด้วยตัณหาอุปาทานแม้ได้กายทิพย์แต่ก็ยังมีสภาพใกล้เคียงมนุษย์จนหลายคนเชื่อไม่ลงว่าได้ตายไปแล้วซึ่งสิ่งนี้ที่ทําให้คนที่ไม่เชื่อเรื่องภพชาติเชื่อมันว่าตายแล้วศูนเมื่อตายไปจึงอาจคิดว่าตนได้มาเกิดหรือมีชีวิตอยู่ในดวงดาวอื่นคือเหมือนตื่นขึ้นมาอีกโลกหนึ่งต่อให้มีสภาพร่างกายผิดไปจากเดิมอย่างไร แตยังรู้สึกเป็นอัตตาตัวตนเดิมมีนิสัยแบบเดิมทุกอย่างคนที่ฆ่าตัวตายก็เช่นกันนะครับก็ยังรู้สึกเป็นตัวตนคนเดิมที่ยังทุกอยู่เหมือนเดิมแถมมากกว่าเดิมหลายเท่าเพราะไม่มีร่างกายคอยน่วงจิตไปทางอื่นเช่นเวลาหิวม่วงให้สังเกตนะครับว่าทุกแค่ไหนก็จะเลิมได้ชั่วครู่แต่เมื่อเหลือแต่จิตกาลังทุกข์หนักจิตจึงโฟกัสที่ทุกข์ล้วน คนฆ่าตัวตายจึงน่าสงสารมากเพราะอยากหนีทุกข์แต่กลับทุกข์หนักกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าแสนเท่าอยากตายก็ไม่ตายสักทีได้แต่สงสัยว่าทําไมยังไม่หายวับไปเหมือนที่เชื่อมาตลอดว่าตายแล้วต้องศูนพอไม่หายไปสักทีจึงวนเวียนทําร้ายตัวเองอยู่ที่เดิมอายุไขยังไม่หมดก็ต้องทนทุกข์ทำร้ายตัวเองอยู่ที่เดิมซ้ําๆไปจนกว่าจะถึงเวลานะครับ ซึ่งสุดท้ายก็ต้องไปรับกรรมในอบายภูมิของจริงต่อไปอีกนานแสนนานที่ท่านบอกว่าต้องตกนรกหรือต้องกลับมาฆ่าตัวตายอีก500ชาตินั้นขอให้เข้าใจว่าเป็นสำนวนแขกไม่ได้หมายถึง500ร้อพอดีแต่คือประมาณหนึ่งหลายคำว่าโจร500ร้อยนะครับที่ไม่ได้มี500ร้ยคนแต่หมายถึงโจรใจเอี่ยมเรื่องความเชื่อการพักผ่อนหลังความตายที่เรียกว่าหลับให้สบาย หรือการหลับรอการพิพากษาโทษในวันสิ้นโลกนั้นอาจพระได้สมาธิไปเห็นชีวิตหลังความตายหรือเกิดยานรู้เห็นอดีตชาติของตนหรือคนอื่นและได้ไปรู้เห็นในลักษณะนอนพักเปื้อนอยู่แบบนี้นะครับซึ่งท่านว่าบางคนอาจหลับยาวนานเป็นแสนปีมีคำอธิบายในภาคที่สี่ว่าการเห็นนรกสวรรค์ของคนหลายศาสนาก็เป็นลักษณะแบบนี้คือไปเห็นมาจริงแต่ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ไปตามระดับชั้นของภพภูมิแม้ในสวรรค์ชั้นเดียวกันก็ยังมีแยกย่อยไปตามทิฏฐิตันหาสัญญาอุป า, าทานทั้งนี้หมายถึงคนที่ไปเห็นมาจริงไม่ใช่เกิดจากภาพหลอนนะครับซึ่งส่วนมากที่ได้เห็นนั้นก็เป็นเพียงสวรรค์ขั้นต้นเท่านั้นหรือแม้แต่รู้เห็นหรือได้เป็นถึงพรมระดับสูงแล้วแต่ถ้าไม่ได้ยานรู้แจ้งในการเกิดและอุบัติของสัตว์ทั้งปวง ก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจชีวิตหรือพบภูมิที่ตนอยู่ได้จริงเลยในเรื่องของการนอนหลับและความฝันของวิญญาณ น, นั้นท่านผู้สนใจติดตามได้เพิ่มเติมจากเรื่องวาเสียงสวรรค์นะครับในเรื่องเสื้อผ้าที่เป็นของทิพย์ก็เป็นเฉพาะถิ่นเฉพาะภูมิเช่นเดียวกันซึ่งในที่นี้ดูลักษณะาจากคาบรรยายก็ยังเป็นไปตามความนิยมของชาวตะวันตกเป็นหลักนะครับลักษณะวัตถุอันเป็นทิพย์นั้น ขึนอยู่กับตัณหาอุปาทานความราณีตของจิตให้สังเกตนะครับว่าในชั้นพรมมีรูปที่เลยเทวภูมิไปแล้วก็ย่อมมีความแตกต่างอีกมากจนถึงชั้นอรู ป, ประพรมที่มีความประณีจนไรรูปซึ่งเสื้อผ้าไม่มีแล้วเพราะไรรูปเหลือแต่นามคือเหลือแต่จิตเท่านั้นเดี๋ยวในที่นี้จะสังเกตว่าตามคำบรรยายนั้น เทวดาในิภพนี้ก็ยังเข้าไม่ถึงชั้นที่สูงกว่ายังไม่สามารถรู้เห็นถึงชั้นพรมได้นะครับสําหรับคบําบรรยยาที่เกี่ยวกับศาสนาทั้งในแง่คําสอนการพูดถึงพระหรือนักบวญแม้แต่ที่บอกว่าชาวโลกมนุษย์ส่วนมากในที่นี้ท่านหมายถึงเฉพาะเกี่ยวกับทางฝ่ายคริสตเท่านั้นเพระท่านเขียนหนังสือเล่มนี้จุดมุ่งเน้นก็เพื่อให้คนคริสอ่านเป็นหลักเท่านั้นนะครับ